4. ระโหปฏิตฉั น, นะสิกขาบท 97. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินครุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทสาคยบุตรถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทะสากยบุตรนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามในระโหปฏิติ น, นะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา